ขอความเจริญในธรรมทุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประัติยานในวันนี้ก็คงปรารบเรื่องคันติบารมีต่อไปในข้อหนึ่งรับสั่งแสดงว่าคันติย่อมตัดรากงาวแข่งบาปทั้งสิน้นผู้มีคันติชื่อว่าย่อมขุดรากแข่งกลางความติเตียนและการวิวาสเป็นต้นได้ ให้เราไังเกรตว่าบรรดาสัพกิเลสทั้งหลายกัแล้วกันนะมันจะมีแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกแล้วก็ทําให้มันกิเลสเราฟูขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันภายในใจเราต้องก็มีเชื้อกิเลสประการจะเกิดกิเลสหนึ่งถ้าเราไม่มีเชื้อเนี่ยมันจะไม่เกิดเอาสมมติสมมติ ง, ง่ายๆนะสมมติว่าใครมาด่าเราด้วยภาษาอุรดู เราความไม่รู้เราไม่โกรธ อ, อ่ะเขาอาจจะด่าแรงๆเลยนั่นก็แสดงว่าถ้าเราไม่มีเชื้อในเรื่องเหล่านั้นเชื้อให้รักเชื้อให้ชังเชื้อให้โกรธเชื้อให้เกลียดอะไรแต่ไหนมันมันจะไม่ออกมาเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาจากความไม่รู้แล้วความรู้เหล่านั้นในเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็สะสมแต่ปรดีในชีวิตประจำวันมันไปรับสื่อที่ไม่ดีนี่เยอะ ถ้าเทียบอัตราส่วนการสะสมภายในใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล น, นี่เราจะรับมากกว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าไม่ใช่สากล่นะฮะหรือคนบางคนคนที่จริงคนส่วนมากเลยําไปมันจะรับในส่วนดีพฤติกรรมเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นการกระทำซ้ำๆซกากๆของคนกลุ่มไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่มันค่อนข้างน่ากลัวคือมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับผ้าขาวผืนหนึ่งนยฮะถูกสาดมันเปื้อนทักจุดหนึ่งก็ยุ่งแล้วก็ลดราคาข้างงวดลงไปสังคมเองมก็มีลักษณะจักันเพราะาถ้าอารมณ์ยั่วยุยัยวยนมาจากข้างนอกมันอาจจะบางทีมันมอมเมามันมันเรานึกดูนะฮะอย่างอย่างนิทานทศวรรตีที่ท่านเล่าเนี่ยที่ท่านเล่าตัวพรามคนหนึ่ง เขาแบกแพะมาตัวหนึง่งแล้วก็พวกเด็กหนุ่มเจ็ดคนแกมองเห็นข้าวก็วางแผนที่จะหลอกออกปลอกพรามเนี่ยเอาแพะเธอก็กระจายเรียงรายกันไปบนเส้นทางของพรามที่จะเดินผ่านนะแล้วก็โผล่ออกมายกมือไหว้พรามผู้เท่าโดยโอภาปราศัยแบบสีสัมมาคาระวะนะแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งจะถามเอานั่น ลุงแบกมาไปไหนพระเมื่อตอนก่อนเสียงก็แข็งไปดุเด็กว่าหมาอะไรดูหรือเปล่าเป็นแพะไม่รู้จักเลยแต่ว่าเด็กนุมทุกคนเนี่ยมันพูดประโยคเดียวกันหมดเลยทั้งเจดคนในความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองแบกมาสาตว์ที่ตนเองมาเป็นแพะและจริงมันแพะจริงนะนะ มันก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปพอถึงจุดคนที่เจ็ดเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันหายและแกก็ทิ้งแพะแหลกะก็เดินกลับบ้านปลกหนุ่มทั้งเจ็ดก็ไล่จับแพะก็เอาไปเป็นอาหารของตัวเองนั่นคือแสดงให้เห็นว่าแรงกระแทกจากข้างนอกเนี่ยเรื่องไม่จริงจะกลายไปเรื่องจริงขึ้นมาได้แล้วถ้าหากว่าเราลากให้มาชนเราเขาลากให้มาชนเราเนี่ยอันนี้จะจะอันตรายมาก โดยเฉพาะคนที่รู้สึกตัวเองว่าใยายอัตตาใหญ่ๆนะรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆเนะี่ยจะสมมุติว่าใครมาบอกว่าโอ้คนนั้นนินทาท่านอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นด่าท่านอย่างนั้นอย่างงั้นคนนั้นพูดถึงพ่อแม่ท่านในทางที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างงั้นเสร็จเลยนะขันแตกไปตั้งนานแล้วนะนี่คือปัญหาทางอารมณ์เพราะงั้นคนที่มีพื้นฐานตรงเนี้ยมีพื้นฐานขันติที่ทรงแสดงว่า สามารถตัดรากแข่งบาปได้มันจะต้องมีพลังคันติสูงแล้วก็มีตัวเสริมนะเช่นสมมติว่าคนนี้เรามีกรณีนี้เรามีปัญญามีความรอบรู้อะไรเป็นอะไรมีความชัดเจนมากแล้วตลองสังเกตว่าถ้าแรงกระแทกมาจากตรงนั้นเนี่ยจะไม่โกรธหรือโกรธก็โกรธน้อยหรือห้ามใจไว้ทันหรือไม่ันอเอา เอ า, ารธรรมะข้ออื่นเช่นเราเมตตากรุณาตาเทอมีความรักมีความเมตตามีความสงสารต่กคนต่อหนั้นหรือมีความเคารพเพื่อทูลต่อคนต่อหนึ่งอันนี้ภูมิจิตมันมีเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสเนี่ยมันน้อยสาหรับคนนั้นนะนะแต่ภูมิจิตที่มีธรรมะเนี่ยมันสูงเพรา ะ, ะบางครั้งบางคราวเราพูดถึงผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผู้ใหญ่ตําหนิเราเลย อาจจะดุดาอาจจะตำหนิแต่เราก็ไม่เคยโกรธเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ความเคารพนับถือท่านทานว่ากล่าวท่านตักเตือนท่านตำหนิก็แสดงว่าท่านวางดีต่อเราแล้วก็สำนึกคุณกับท่านเห็นไหมกิเลสมันไม่ผูกขึ้นมันตัดรากรากงามเลแต่ว่าในบางการณีเนี่ยมันมีเชื้อกิเลสอยู่ภายในลักษณะเชื้อเนี่ยมันเหมือนอะไรละมันเหมือนกับ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเ น, นคือแมลงวันหยอดไข่ะนะ่ะครับก็กาหยอดไข่เราในปลาในเนื้อเนี่ยมันต้องเป็นไข่ค้างแล้วก็เป็นนอนเลยแต่ถ้าไปหยอดในกระจกประหยอดในชิ้นประหยอดในไม้เนี่ยพวกนี้ไม่มีเชื้อหนาวไข่ค้างนั่นก็ตายไปไข่แมลงวันก็ตายไปไม่กลายเป็นไข่ค้างไม่ต้องไปต้องพูดถึงนอนเลยนะะเพราะภายในจิตใจของเราจึงต้องมีเชื้อพวกนี้อยู่ เขาเรียกว่าธาตุคือธาตุอ่ะธาตุธาตุกเนี่ยเช่นพยาบาทธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุวิงสาธาตุ อ, อะไรเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ภายในใจเราแม้แต่ความกลัวหรือสิ่งที่เรากลัวเราสังเกตว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้แม้แต่สัตว์น่ากลัวเราก็ไม่กลัวเราสังเกตาบางทีเด็กเนี่ยเด็กเกเห็นงูแก๋ว่าอ่ะแก คลานไปหาเลยเพราะแกไม่รู้อะไรจะไม่กลัวอันนั้นไม่กลัวเพราะไม่รู้อองหนึ่งไม่กลัวเพราะรู้เรามีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยก็แสดงเรารู้รู้เจตนารู้สถานะของบุคคลเรานระิงนนหน้าด่งก็คือฐานฐานจิตนี่มันมันมันจะเป็นเรื่องใหญ่มาย เราลองสังเกตว่าฐานจิตในรูปของความรักความเมตตาความปรานความเคารพความศรัทธาความนับถือความพักดีอะไรแต่ไรเนี่ยสายกุศลเราเนี่ยทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะแต่ส่วนมากมันไม่อยู่ข้อเดียวเนี่ยอยู่หลายๆข้อพอแรงกระแทกมาทางลบจากท่านเหล่านั้นเราจะไม่รู้สึดร้อนอะไรรู้สึกเหมือนกับให้ผ่อน ก็ประมาณทักสามสิบกว่าปีมาแล้วนะ่นะอัตมามาพักตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาอยู่วัดวรวร์มาพักตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรว๋งวิจิรญาณวงศ์ในทรงไปชวนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เป็นยังไงไม่ทราบครับพระที่อุปถักต์นั้นไปตั้งวงคุยกันอีกห้องหนึ่งคือไม่ได้มาดูแลปรากฏว่าสเสด็จลุกขึ้นเป็นดุในห้อง คนนั้นก็ดีใจจังเลยสมเด็จโดยเอามาคุยอวดเขาตลอดเลยพราสมเด็จให้พอรอนเยอะมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ากโกรธไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิอะไรต่ออะไรแต่รู้สึกว่าท่านให้พอรอนก็แสดงว่าพื้นฐานความเคารพความศรัทธาต่อท่านเนี่ยแล้วก็ลึกๆ ก, ก็คือสามึกผิดด้วยนะฮะ ล, ลึกเราก็สานึกผิดด้วย มันจะไม่มีอาการของกิเลสเหล่านี้จรินเพราะการถอนรากง่าของกิเลสเนี่ยขันติเนี่ยมันเป็นหลักเป็นคันติสังวรเนี่ยที่เคยพูดไว้ในบางกอ่อนมาว่าถ้าคันติเป็นฐานใจแล้วจะอดทนได้สารพัดเพราะว่าอารมณ์ดังกล่าวเนี่ยมันมีได้เฉพาะกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มบางคนเท่านั้นเองแต่ว่าคนที่เรารู้สึกเฉยๆล่ะ คนที่เรารู้สึกไม่ชอบล่ะหรือคนที่เรารู้สึกมีความต้องการพอใจในทางเพศล่ะไอเนี้ยมันจะยุ่งมันจะเพิ่มกิเลสได้ทั้งหมดนะคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยเราก็โกรธคนที่เราชอบแต่เขาไม่ดีกับเราเนี่ยเรากโกรธก็แสดงว่ามันไปเพิ่มเชื้อของกิเลสขึ้นมา ทีนี้สมมติว่าเขาชอบตอบมันกิเลสประเภทราคะมันก็เกิดต่อด้านพวกนี้จึงจ้งมีปัญญาเข้ากำกับไม่ได้หมายความว่าจะต้องอดทนไปทุกกรณีนะืออย่างที่บอกว่ากรอบของคำว่าอดทนเนี่ยต้องนึกถึงตัวนี้ต้องนึกว่ามันมีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆอย่างสมมติว่าลูกหลานเกกะเ ก, กะเร ก, ก็อดทนเอา ไม่ต้องอบรมไม่ต้องสั่งสอนไม่ต้องตักเตือนคนส่งส่งเสียงดังลั่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องห้ามปรามอดทนเอาอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมพระพุทธเจ้าที่สิ่งอดทนโดยอัตโนมัตินะแต่เราอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นศาสดาเป็นผู้บริหารหมู่เป็นธรรมราชานะฮะเป็นเจ้าแห่งธรรมแล้วก็สมณะเนี่ย นัก บ, บวชในพุทธศาสนาที่เรียกศาสตร์ธรรมิกฆาประเภทเนี่ยหรือถ้าเราดูแล้วมันก็เหมือนกับสมณะวันนะมันใกล้ๆกับวันณะที่พิเศษออกไปเพราะเป็นวันนะที่ยำใหญ่คือหมายความว่ามีอยู่ทุกวันนะแล้วก็มาอยู่ในสังคมเดียวกันฐานจริงๆเนี่ยมันต่างกันพระเจ้าก็วางไปกฎเกณฑ์ระเบียบปีในในการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีจุดกลางในการประสานกันคือพบกันที่ความถูกต้องธรรมประธรรมใด เพราะถ้า ใ, ใครแหลมขึ้นมานเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ดุนะดุนี่เจอบ่อยในพระวินัยปิฎกนี่ดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ควรแกเร่เธอทั้งหลายก็เป็นสมนะอย่างนั้นนั่ก็ว่าไปเขาเรียวกว่าหลักนิกฐาะประกาถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เรียกนิครอบประเคราะห์นิครอบก็คือตำแหน่ทวงจริง ลงโทษประเคราะห์ก็คือยกย่องส่งเสริมสนับสนุนอันนั้นคือหลักการบริหารอดทนหรือไม่อดทนไม่ใช่แปลกอะไรแต่ตอนนี้เราจะวางเฉยไม่ได้คืออดทนเฉยเฉยไม่ได้เจ่นสมว่าภายในวัดเราเป็นสมพานพระเนรไม่ได้สนใจในกิจวัตรไม่ได้เรียนหนังสือต่างหาตั้งวงคุยกันอย่างเนี้แล้วก็อยู่เฉยเฉยได้ไม่ได้มันต้อง เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนอบรมก็แล้วแต่แต่เราพบบ่อยๆนะพระเจอกั น, นส่วนมากคุยเสียงดังมักจะเป็นพระมาจากต่างชินแล้วพระเจ้าชินเนี่เจอก็ต้อนรับทักทายกันวกเวกวกเ ว, ก ก, เวกกระส่งเสียงดังไม่โปรดไม่เหมาะควรแก่สมณะ เราสั่งถามพระอนุนอนุอนอนไปดูซิใครส่งเสียงยังกระชาวพระมงแยงปลากันเสียงอึ้งๆนะเสียงอึ้งๆอึกระทึกอึ้งๆยังกรชากประมงแยงปลากั น, นอนุก็ไปดูแล้วก็มากราบทูลในสมศักดิ์แล้วจะเรียกมาตำเนิอบรมมาประธานอวาาบางทีแรงอนะฮะมีคราวหนึ่งเนะี่ยพระท่านแรกท่านก็เลือกเกินนกันนะ อย่างนี้ก็พระสมัยนั้นบางทีมันก็เกินไปพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่บุพผารามอารามของนางวิสาขามันมีปราสาทนะเขาเรียกปราสาทของวิสาขาเิคารามาตาลงทุนสร้างตั้งยี่สิบเจ็ดโกดนะฮะมันใหญ่โตโมโลามสามารถบรรจุพระได้เป็นพันพระอยู่ได้เป็นพันทีนี้พระพออยู่มากๆล้วก็ผูทุชนมันก็เยอะนะ พระไม่แตกอะไรพระญาติบุคคลไม่แปลกอะไ ร, ร, ะไ แ, ะไรแต่ผู้ผูุชนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยทรงเสียงดังพระพุทธเจ้ากําหนดประไทยให้พระโมกขลานาเนี่ยมาเฝ้าแล้วก็รับสัง่งพระเจ้าประทับอยู่ที่วิสาอปราสาทด้วยนะแล้วท่านยังไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างส่งเสียงดังขนาดนั้นพระโมกขลานาก็ใช้เท้าใช้ริดนะฮะเขย่าปราศาสเลย พระตกใจนึกว่าแผ่นดินไหววิ่งกันกระเจิงหมดเลยเสร็จแล้วก็เรียกมาอบรมให้สํานึกถึงลาบจําเห็นไหมว่านั่นคือการบริหารไม่ใช่โกรธเกิดไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าคือภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทําให้เป็นไปด้วยดีภาษาก็สื่อสารได้เห็นว่าเองเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรโมฆะ บ, บุรุษการกระทาอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ใช่พูดด้วยโทสะ เป็นการพูดคล้ายๆกับหมอผ่าตัดนะหรือพูดด้วยกรุณาต่อท่านเหล่านั้นเพราะความคือกระนองในหมู่พระเนี่ยมันบางครั้งบางคราวมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยาวนานแต่เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นความทุกข์ยาวนานจะนี่สมมติว่าพระต้องปรถมประราชิกที่มีเพศสัมพันธ์นะฮะเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาแต่ว่าทุกข์ยาวนานในเนี่ย ทุกมันผ่านทั้งสารวัตรตกนังลบหมอกไม้อุ้ยไปกันใหญ่เลยคนจะไปวางเสืย อ, อยู่ไม่ได้ธรรมะจึงต้องใช้เป็นขันติที่มันมีเป็นฐานใจเนี่ยก็คือฐานใจแต่ว่าในการบริหารก็คือการบริหารการอบรมคือการอบรมการลงโทษการยกย่องก็ว่ากันไปตามสมควรแก่นี้ทั้งหมดมันเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยกัน ดังนั้นการถอนรากงาวหรือการตัดรากงาวของความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยพอถ้าความอดทนมันถึงที่แล้วเนี่ยมันไม่อ่อนไหวไปเรียกว่าณอุจจาวจังดัสยันติปันฑิตาบัณฑิตจะไม่ขึ้นขึ้นลงลงจะไม่มีการขึ้นขึ้ น, นลงลงไม่ว่าจะประสบความสุขหรือประสบความทุกข์ก็ตามไอ้นี่ก็แสดงว่าสามารถถอนรากงาวของกิเลส และอย่าลืมนะตรงนี้มันไปสู่พระผลที่ผ่านได้ไปเลยเนี่ยเป็นธรรมะประเภทจริงๆมันพูดเฉพาะขันติแต่ว่าภาคสนามจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ขันติล้วนๆ น, นะมันมีธรรมะอื่นเข้าส น, าสนุนเจ็ดมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรอย่างนี้ยกตัวอย่างเนี่ยบางทีก็มีเมตตาะมีปัญญาอะไรอะไรเนี่ยมันจะมีตัวเสริมตัวช่วยอยู่ไม่ใช่ว่าล้วนๆข้อใดข้อหนึ่งนี่ไม่มีละ ธรรมะจะต้องทำงานประสานกันเป็นสูตรอย่างนั้นเลยก็ทำงานประสานกันเองโดยธรรมชาติมันเหมือนกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราสมมติเราตั้งนั่งเราเราขยับลุกขึ้นยืนเนี่ยทุกส่วนของอวัยวะร่างกายเนี่มันจะเคลื่อนไหวแต่ตัวไหนเป็นหลักละ่ะตอนยืนก็เท้าของก็เป็นหลกักก็แสดงว่าเท้าก็ทำงานหนักกว่าเพื่อนแต่ส่วนอื่นก็ต้องขยับนะมือมันก็ต้องขยั บ, ต, ยบต้องเคลื่อนไหว การริบัติธรรมะ ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็บางชีในแรงกระแทกที่ทรงใช้ว่าการวิวาทเนี่ยการวิวาทเป็นต้นนะฮะไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการวิวาทอย่างเดียวอาจจะเป็นการยื้อแย่งกันอาจจะเป็นการต่อสู้กันหรือขัดขัดขวางผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยแต่ถ้าเราอดทนเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีการทะเลาะวิวาท เช่นสมมติว่าใครมาด่าว่าชี้หน้าคำมงชงเสียงก็ว่าลันไปก็ว่าไปแต่เราก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจที่จะไปรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นการวิวาดมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอดทนและฝ่ายหนึ่งนะไม่อุดทนไปแล้ว่ะคือผิดไปคนหนึ่งแล้วแล้วถ้าคนที่สองเกิดไม่อุดทนขึ้นไปอีกตอนเนี้ยมันมีปัญหา หลัความบทนจึงเป็นการตัดกระแสปัญหากระแสปัญหาหรือความรักหรือความชังหรือความโลภอะไรก็ตามแต่ในที่นี้จะเน้นไปที่ความโลภคือหมายความว่าแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกเนี่ยกระตุ้นโทรศัพ์เราแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนจกโกรธก่อนค น, นื่อทีกังโกรธง่ายจังไง น, นะ เกิดมึงได้ก็เอ๊ะทำไมต้องโกรธ เ, เรื่องงานอันนี้ทำไมต้องโกรธแต่พวกก็โกรธง่ายเห็นไหมคนในปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยขับรถปาดหน้ากันหน่อยเดียวแย่งที่จอดรถกันหน่อยเดียวเฉี่ยวชนกันหน่อยเดียวไปเรื่องใหญ่อ่เมื่อสมัยไปศึกษาอยู่ที่อินเดียปศุสองพันห้าหร้อยตรไสยสิบหกนะะมันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เราไม่นึกโอ้โหมนุษย์เนี่ยมันหหรือโหดจริง คือพื้นฐานเดิมก็ฮินดูกับอิสลามเนี่ยเขาทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันเกิดว่าริกชอก็คือที่ยิงกระสามลอดนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าริกชอกร่เกิดเฉี่ยวชนกันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ขึ้นมาถึงมาทะเลาะกันเลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วก็เราก็ริกชอกรนึงเป็นอิสลามริกชอกรนึงเป็นฮินดูมันกลายเป็นเอาของเก่ามาทะเลาะแล้ว ยกพวกตะลุมบอนกันแล้แรงยืดเยืย้อจนต้องเคารพิวเลยนะะออกไปฆ่าฟันกันในรถไฟในอะไรต่างๆไปแรงจังจะนึกว่าโอ้โหมนุษย์เนี่ยมนันดุเดือดเดือดพล่านกันขนาดนี้นั้นแสดงอะไรแสดงว่ามันมีเชื้อไม่ชอบอยู่คือไม่ชอบอยู่อ่อนนะและเป็นการไม่ชอบแบบเหมาหลด้วย แต่เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคน น, นะนะเพียงแต่ว่ากระแสกระแสพวกเราพวกเขาพวกเราถูกรังแกนะพวกเขามารังแกงพวกเราในที่สุดมันก็ความรักพวกรักพองรักศาสนาเดียวกันไม่รู้จักหรอกแต่ว่าอาศัยศาสนาเดียวกันชาติเดียวกันก็เกิดเกิดตะลุมบอนกันรูนแรงตายเยอะนะตาย ในรถเนี่ก็ตายกันเยอะบ น, นถนนนี่ก็ตายกันเยอะต้องเคือฟิวปิดห้ามการสัญจรทั้งนั้นที่เมืองพาราสีเอง แ, แท้ๆนะฮนั่นก็คือเราจะเห็นถึงว่าจิตใจที่ขาดความอดทนเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงลดกิเลสอ่ะมันจะเพิ่มกิเลสอนเนกอนันต์ขึ้นมาทันทีเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้ จนไม่ยกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยอย่า ง, อ ย, างอย่างเรื่องรามเกียรติถ้าอดทนได้สักคนเนี่ยภาคสวรรค์เอาภาคสวรรค์ก็ได้นะหมายความม น, นุษย์ทุกแกอดทนไอ้เทวดาก็ล้อเล่นมากไปน่อยเอาอดทนเอาหรือว่าเทวดาก็รู้จักข้ามใจตัวเองอย่าไปล้อเล่นก็มากเกินไปปัญหาการไปขอนิ้วเพชรนิ้วอะไรไรกายสิทธิ์ที่ตนตายไปเป็นมันก็ไม่เกิดขึ้น เอาแหละเมื่อมันเกิดแล้วมาถึงพระนารายหรทออี่อุตสาหปรอมเป็นเทพธิดามาชวนนนทกเราไร่ ร, รำให้หลอกเรียนวิธีของท่านเนี่ยตรงนั้นเมื่อนนทกก็เห็นหรือว่าพระนารายท่านเห็นแล้วก็ไม่ถือสาความนนทกก็จะท้าทายท้าตีท้ า, า, า, า, าต่อยังไงก็จ้างแก แต่เรามามีหน้าที่ปราบยุคเห็นนะ่ะก็เสร็จแล้วก็อย่าไปต่อเรื่องยาวก็จบนะเรื่องเราเมื่อกียมันก็อยู่ภาคสวรรค์อย่นั้นนะแต่เราเห็นว่าที่ลาดมาเนี่ยมันไม่มีใครอดทนแต่ละคนนั้นไม่อดกลั้นไม่อดทนแล้วก็คนก็มีวิธีที่จะปลุกปั่นให้เกิดโทสะใภ้เกิดจึดถือสักด์ศรียึดถือพวกพ้องยึดถืออะไรต่อนี้อะไรกว่ากันไปจนดุ่มไปหมดแต่ แล้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเยอะเอาวารรณคดีก็่อมาอ่าน่ะไม่ว่าคุณจ้างคุณแผนเรื่องพระภัยมป็นนี่อะไรอะไรออกมาดูมองในกระแสะของธรรมมันจะเห็นถึงสภาพจิตใจที่ขาดเหตดผลไร้สาระปัญหานเล็กนิดเดียวนะสร้างขึ้นเป็นปัญหานใหญ่ได้ไม่อมีการประฏิประนมไม่มีการประสานประโยชน์ไม่มีลักษณะของความหดกั้นความหมดทน ไม่มีการผ่อนปลนเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ลามป่ามาไปมันก็เหมือนกันบาที่ไฟไหม้เนี่ยฮะเราเห็นว่ามันมาจากไม่ขีดเพียงก้านเดียวแต่นั้นเด้งลักษณะการอยู่ร่วมกันไปในสังคมก็เป็นอย่างนั้นเพรา ะ, ะนันขันติเนี่ยมันจริงจะเป็นฐานในการหยุดความรุนแรงของกิเลสและในการประทะอารมณ์ตัวกระตุ้นที่มาจากข้างนอกเอาไว้ ให้ตกไปจักจิตได้นะแต่ต้องมีกำลังอ็มีกำลังมากพอเข้มแข็งพอผลดังล่าวๆจึงจะเกิดขึ้นได้ท่านฟังทั้งหลายแต่รมประภติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุนในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี